ธรรมบทแปลเรื่องที่88เรื่องอายุวัฒนกุมารภาคที่สเรื่องที่8ของวรที่8สหัสวรรควรรณน า, นาพระสัสดาเมื่อทรงอาศัยทีคะลมพิกาณนครประทับอยู่นะกุฏีในป่าทรงปรารบกุมารผู้อายุยืนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอภิวาดนาซีลิสะ เป็นต้นได้ยินว่าพรามสองคนชาวเมืองที่ค้าลำพิกาณนครบวชในละทิภายนอกปำเพ็นตบะสิ้นการ48ปีบรรดาพรามสองคนนั้นคนหนึ่งคิดว่าประเพณีของเราจักสืมเสียเราจากักศึกดังนี้แล้วจึงขายบริขารตบะที่ตนทำไว้แก่คนเหล่าอื่น ได้ภรยาพร้อมด้วยโคหน0 0ตัวและทรัพย์100กรกหาปณะให้ตั้งไว้เป็นกองทุนครั้งนั้นภรยาของเขาคลอดเด็กส่วนสหายของเขานอกนี้ไปสู่ต่างถิ่นแล้วก็กลับมาสู่นครนั้นอีกนั่นแลเขาได้ยินความที่สหายนั้นมาจึงได้พาบุตรและภรยาไปเพื่อต้องการเยี่ยมสหายครั้นถึงแล้ว ให้บุรในมือของมานดาแล้วก็ไหว้เองก่อนแม้บรรดาให้บุรในมือของบิดาแล้วก็ไหว้สหายนั้นกล่าวว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนแต่เมื่อมานดาบิดาให้บุรไหว้แล้วสหายนั้นได้ดิ้งเสียลำดับนั้นเขากล่าวกับสหายนั้นว่าผู้เจริญก็เพราะเหตุไรเมื่อผมไหว้ท่านจึงกล่าวว่า ขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนในเวลาที่เด็กนี้ว่า้ไม่กล่าวคําอะไรอะไรสหายพรามอันตรายอย่างหนึ่งของเด็กนี้มีอยู่พรามเด็กจักเป็นอยู่ตลอดการเท่าไรขอรับสหาย7วันพรามพรามเหตุเป็นเครื่องป้องกันมีไหมขอรับสหายเราไม่รู้เหตุเป็นเครื่องป้องกัน พรามก็ใครพึงรู้เล่าก็รับสหายพระสมณโคดมท่านจงไปสานักของพระสมณโคดมนั้นแล้วถามเถิดพรามผมไปในที่นั้นกลัวแต่การเสื่อมแห่งตะบะสหายถ้าความรักในบุรของท่านมีอยู่ท่านอย่าคิดถึงการเสื่อมแห่งตะบะจงไปสานักของพระสมณโคดมนั้นถามเถิดพรามนั้น ไปสู่สำนักของพระศาสดาว่าเองแล้วพระศาสดาตรัสว่าท่านโจมีอายุยืนแม้ในเวลาที่ประชาดนไหวก็ตรัสแกนางอย่างนั้นเหมือนกันในเวลาที่เขาให้บุตรไหวได้ทรงนิ่งเสียเขาทูลถามพระศาสดาโดยในก่อนนั่นและแม้พระศาสดาก็ทรงพยากรณ์แก่เขาอย่างนั้นเหมือนกันได้ยินว่าพรามนั้น ไม่แทงตลอดพระสัพพัญยุตยานจึงเทียบเคียงมนของตนกับพระสัพพัญยุตยานแต่ก็ไม่รู้อุบายเครื่องป้องกันพราหม์ทูลถามพระศาสดาว่าก็อุบายเครื่องป้องกันมีอยู่หรือพระเจ้าข้าพระศาสดาพึงมีพราหมณ์พราหมณ์พึงมีอย่างไรพระศาสดาถ้าท่านพึงอาจเพื่อทํามนดบใกล้ประตูเรือนของตน ให้ทาตัางไว้ตรงกลางมณฑบนั้นแล้วปูอาสนะไว้8หรือ16ที่ล้อมรอบตัางนั้นให้สาวกของเรานั่งบนอาสนะเหล่านั้นให้ทาพระปริศเจวันไม่มีระหว่างอันตรายของเด็กนั้นพึงเสื่อมไปด้วยอุบายอย่างนี้พรามพระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์อาธรรมณฑบเป็นต้นได้ แต่จากได้สาวกของพระองค์อย่างไรพระสัสดาเมื่อท่านทากิจเท่านี้แล้วเราจะส่งสาวกของเราไปพราหมณ์ทุ่นรับว่าดีละพระโคโดมผูดเจริญแล้วทากิจนั้นทั้งหมดใกล้ประตูเรือนของตนแล้วได้ไปยังสำนักของพระสัสดาพระสัสดาทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปภิกษุเหล่านั้นไปนั่งในมนดบนั้น พรามสามีภรรยาให้เด็กนอนบนต่างแล้วภิกษุทั้งหลายสวดพระปริจเจคืน7วันไม่มีระหว่างในวันที่7พระาศาสดาสเสด็จมาเองเมื่อพระาศาสดานั้นเสด็จไปแล้วพวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นประชุมกันแล้ ว, <c oughs> ก, ลวก็อวรุเถกยักษ์ตนหนึ่งบำรุงเท้าเวสวรันต์12ปีเมื่อจะได้พรจากสำนักเท้าเวสวรัน์นั้น ได้ว่าในวันที่เจ็ดจากวันนี้ท่านพึงจับเอาเด็กนี้เพราะฉะนั้นยักษ์ตนนั้นจึงได้มายืนอยู่ก็เมื่อพระศ า, าสดาเสด็จไปมณฑบนั้นเมื่อพวกเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ประชุมกันพวกเทวดาผู้มีศัก์น้อยลดถอยไปไม่ได้อากาศหลีกไปตลอด12โยต์ถึงอวตารุทธกยักษ์ก็ได้หลีกไปยืนอย่างนั้นเหมือนกันแม้พระศ า, าสดา ได้ทรงทำพระปริษตลอดคืนยันรุ่งเมื่อเจ็ดวันล่วงแล้วอวรุธกยักษ์ไม่ได้เด็กก็ในวันที่8เมื่ออรุณพอขึ้นเท่านั้นสองสามีภรรยายนำเด็กมาให้ถวายบังคมพระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดพรามพระโกโดมผู้เริญก็เด็กจะดำรงอยู่นานเท่าไร่ พระศาสดา120ปีพราหมณ์ลำดับนั้นสองสามีภรยาขนาดนามเด็กนั้นว่าอายุวัฒนกุมารอายุวัฒนกุมาร น, นั้นเติบโตแล้วอนุบาศกห0 0คนแม่ล้อมเที่ยวไปภายหลังวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนาการในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูได้ยินว่า อายุวัฒนกุมารพึงตายในวันที่7บัดนี้อายุวัฒนกุมานั้นในบงเล็บตำรงอยู่120ปีอนุบาศกห0 0อคนแวดล้อมเที่ยวไปเหตุเรื่องเจริญอายุของสัตว์เหล่านี้เห็นจะมีพระสัสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอายุเจริญอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่กษัตริย์เหล่านี้ไหว้ท่านผู้มีพระคุณย่อมเจริญด้วยเหตุสี่ประการพ้นจากอันตรายดารงอยู่จนตลอดอายุทีเดียวดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบานุสวรีแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า อภิวาดนาซีลิสะนิจจังวุธาปจายิโนจตาโรโธรมาวทันติอายุวันโนสุขังบาลันติทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขพะพละเจริญแก่บุคคลผู้กราบไหวเป็นปกติพูดน้อมท่านผู้เจริญเป็นนิดแก่บรรดาบทเหล่านั้น บทว่าอภิวาดานาซีลิษะคือผู้ไหวเป็นปกติได้แก่ผู้ขนขวายกิจคือการไวหวเนื่งเนืองบทว่าวุ ธ, ธาปจา ย, ยโนความว่าแก่ฤหัสผู้อ่อนน้อมหรือผู้บูชาเป็นนิดด้วยการกราบไหวแม้ในพภิกษุนมและสามเณรบวชในวันนั้นก็หรือแก่บรรพชิตผู้อ่อนน้อมหรือผู้บูชาเป็นนิด ด้วยการกราบไหว้ในท่านผู้แก่กว่าโดยบรรพชาหรือโดยอุปสมบทหรือในท่านผู้เจริญด้วยคุณสองบทว่าจะตาโรธรมาความว่าเมื่ออายุเจริญอยู่อายุนั้นย่อมเจริญสิ้นการเท่าใดคำทั้งหลายแม้นอกนี้ก็เจริญสิ้นการเท่านั้นเหมือนกันด้วยว่าผู้ใดทากุศลที่ยังอายุห้ปีให้เป็นไป อันตรายแห่งชีวิตของผู้นั้นเพิ่งเกิดขึ้นแม้ในการมีอายุ25ปีอันตรายนั้นย่อมระ ง, งับเสียได้โดยความเป็นผู้กราบไหว้เป็นปกติผู้นั้นย่อมดำรงอยู่ได้จนตลอดอายุทีเดียวแม้วันนับเป็นต้นของผู้นั้นย่อมเจริญพร้อมกับอายุแลในแม้ยิ่งกว่านี้ก็อย่างนี้แลก็ชื่อว่าการเจริญแห่งอายุ ที่เป็นไปโดยไม่มีอันตรายหามีไม่ในเวลาจบเทศนาอายุวัฒนกุมารตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลพร้อมกับอุบาสกห0 0แล้วแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องอายุวัฒนกุมารจบ